ออกจากจิตใจมันเป็นลําดับําดับเป็นชั้นๆของสติปัญญาเรียกว่าบัณฑิตนักปราชญ์เปน็นชั้นๆไปจนมาถึงขั้นมหาบันดิตมหาบันฑิตก็ได้แก่มหาสติมหาปัญญานั่นเองเรียกว่ามหาบันฑิตเลยขั้นหาบัณฑิตไปแล้วก็ถึงมิมุตเรียกว่าจอมปราทที่นี่นะเลยขั้นมหาบันฑิตไปแล้วก็เป็นจอมปราท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 มีปัญหาถกเถียงกันอยู่ถึง1ิบสองปีไม่มีใครจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้เลยเพียงพากันมาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าโดยที่ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้จัดสรูปขึ้นแล้วในโลกเป็นผู้สามารถชี้แจงอักธรรมหรือปัญหาในแงต่างๆให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้คล้องใจทั้งหลายเพไย้พากันมาทูลถามพระพุทธเจ้าตาม มงคลสูตรที่ท่านยกขึ้นไว้เบื้องต้นแต่เวลาท่านสูตรมวลท่านยกเอาเพียงมาอเอาเสวนาจะบาลานงเรื่อยมาเลยธรรมะกาวถึงบกเทวดาทั้งหลายมาจากงน่นจากนี้มากมาย ก, า, กายกองแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาท่านตัดออกเสียหมดเอาแต่เนื้อเนื้อคือมงคลสูตรสามสิบแปดประการนี้มาแสดง มงคลสามแปดประการ น, นี้เป็นคุณแก่เทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายเลยตลอดมาจนกรทั่งถึงทุกวันนี้เราจึงควรจเจริญมงคลสูตรนี้สูตรใดก็ตามเป็นที่แน่ใจหรือเป็นที่สนิทกับสริตรนิสัยของเราให้มีพื้นฐานจิตใจของเราดังที่กล่าวในสองสามบทเบื้องต้นนั้นว่าไม่ควบคนทาน นะ่นให้พ บ, บันดุนการเห็นสมณะนี่นัะมันปรากบขึ้นภายาจิตใจของเราชือว่าเราเป็นผู้ทรงคุณธรรมมันสูงสุดไว้ภายานจิตใจคำว่ า, าเทวดาตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยรู้เคยเห็นคิดดูดิมนุษย์ด้วยการพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกอรหันอรหันท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง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 นอนทอน้ำก็ขี่รดเยีะรถอยู่นั่นเลยกลายเป็นช่วมเป็นฐานของกิเลสตันหาทุกเรียบทด้วยความไม่มีสติพิจารณาดูัีมันต่างกันไหมพระพุทธเจ้ากับพวกเรามาพิจารถ้าหากว่าเราจะนำมาถือไปให้เป็นประโยชน์เป็นกติเครื่องทําสอนตัวเองให้เกิดประโยชน์จากธรรมที่กล่าวมานี้ก็คือมีบทสำคัญอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทาไมสามารถ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 เมืองพอของความโกรธมันมีที่ไหนเหมืองพอของความหลงมันมีที่ไหนมันไม่มีขอบมีเขตมันกว้างความยิ่งกว่าแม่น้ำท้องฟ้ามาหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันมันจึงแก้ยากเพราะมันกว้าง ก, กว้างเป็นของยากแต่ถึงกว้างขนาดไหนก็ตามภาคฐานของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นประมวลลงมาค่าที่ตรงนี้ถ้าตัดนาแก้ว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 นี่เป็นจุดที่จะตัดปัญหากับที่เียกอาสวะทัง้งหลายสู้มันเวลานี้เราได้สติสตังมาเลยอะพอสมควรได้รับผานอบรมทักอาจากักธรรมศึกษาเราเรียนมาพอสมควรเลยฟังโอวาจากครูจากอาตาการพอสมควรปัญหาอันใดก็คือเรื่องของเราที่จะต้องฟิตตัวของเราให้มีสติปัญญา ทันกับปณมายาของกิเลสซึ่งร้อยเละทันเดีย่ยวร้อยสันทันคมที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราให้ขาดลงไปโดยลําดับลำหนึ่งกิเลสขาดลงไปมากน้อยความสุขความสบายคาาย่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเย็ยนใจนี้เย็นยิ่งกว่าสึงทั้งหลายเยน็นสุขใจสุขไม่มีเละสุขไม่มีงามสุขไม่มีเต๋วยวมีเน่า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 แก้ไขอันี้เมื่อธรรมาชาตินี้จริงขึ้นมาล้นวนแล้วธรรมะของบุรีเจ้าแม่ต่างเป็นกระดาษเศษที่เขียนตกอยู่ตามถนนนทางยังไม่กล้าเหยียบย่บําว่าไงเพราะนั้นเป็นคําสอนบุรีเจ้าเหยียบไม่ลงถ้าลงในคารพหลักใหญ่แล้วปีนย่อยเคารบไปหมดพระพุทธรูปก็าตามจะเป็นอะไรก็าตามกราบอย่างถึงใจเพราะเชื่อหลักใหญ่แล้ว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 พอทาถึงใจความเคารพไม่ว่าจะฝ่ายสมมุติไม่ว่าจะอะไรท่านเคารพถึงเดี่ยวกสุดยอดกราพระพุทธเจ้ากาพระพุทธลูกก็สนิทไม่มีใครที่จะกาบสวยงามแนบสนิทยิ่งกว่าท่านสันมันในสมัยปัจจุบันนี้เห็นไปจากดวกตาความเคารพในอัตนธรรมก็เช่นเดียวกันแม้แต่รูปท่ากระจายยนาะที่อยู่ในซองยาอะไรยาพระกระจายนั้น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 โอ้อรหยุเอวังอืออะไรกันด